you mm -hmm.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 มืนกับเราอ่านตำราเราท่องหนังสือบาทีมันก็วอกคิดไปทางอื่นแล้วก็กลับมาท่องหนังสือจิตใส่ใจตามสานับลํานําดีๆมันจึงจะติดมันจึงจะเป็นวิญญาณวิญญาณแห่งความรู้สึกตัวไม่ใช่วิญญาณแห่งความหลง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 อา จ, จมันตรงกันข้ามในโจรมีจำเลยความหลงเป็นโจรสติเป็นพิภาคษาตุลาการถ้าใจถ้ากายเป็นจำเลยของความหลงแล้วก็แย่ต่างมันเคยหลงมาเรียกว่าแย่ต่างมันกับพิภาคษาตุลาการที่จะสร้างความเป็นธรรมกระบวนการแห่งความเป็นธรรม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 ย่อนเกินไปมันจะเพลาะไหมไม่เพลาะพระเจ้าค่ะแต่ทำอย่างไรมันจึงจะเพลาะเอาเพอดีพอดีแม่เธอปลาลบความเพียรก็เช่นกันรัฐบาลเอ้ยเธอตึงเกินไปเธ อ, อย่อนเกินไปมันก็ไม่ในความพอดีเห็นเดียวกันเธออย่าไปอยากกลัวอยากเห็นอะไรมาก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 ไม่รู้จะหาแบบไห น, นแต่ว่าหาเงินหมืนน่นเงินแสนเนี่หาง่ายท่านบอกว่าใช่นันาก็คิดยร์แบบนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันหาเงินหมืน่นนงินแสนหาอย่างไงมันมีให้หามันมีถ้ามีสติขึ้นมากมากมา ก, ม, ากมันก็มีมีญาณมาช่วยมีสมาธิมีปัญญามีมักเข้ามาช่วยคนไม่เงินไม่ทองเงินมันก็หาเงินเอง เงินม so, ันลงทุนปัญญามันลงทุนมันหาไปเองจากอนันต์ได้มาจากอันนี้ได้มาหลายเรื่องหลายราวหาหลายๆอย่างก็ได้มารวมกันเข้ามากขึ้นมากันแต่ก่อนในตามก็พาให้เราหลงหูมันก็พาให้เราหลงจมูกเล่นกายใจมันก็พาให้เราหลงต่อไปต่อไปต่อไปเมื่อมันรู้แล้วตาก็พาให้รู้หูก็พาให้รู้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 แต่ความยากที่เราทำมันจะง่ายภายในภายหลังความตึงก็เพื่อที่จะหย่อนความหย่อนก็เพื่อที่จะตึงให้คิดอย่างนี้บางทีมันตึงมากก็หย่อนบางทีมันหย่อนมากก็ตึงถ้ามันพอดีหาความพอดีกับตัวเองบางทีก็ตั้งไม่ถูกพอทาปั๊บก็เอาเก้งเอาจังหน้าดำํำเครียดห่วงน้อยเศร้าซึมเครียดไปเลย้าอย่างนั้นก็หย่อนลงไปสักน้อย ยอนลงไปสักหน่อยหายใจโลง่ลงๆมองในแง่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมองในแง่ดีๆมันตึงเพื่อจะย่อนย่อนเพื่อที่จะสอนตัวเองเหมือนกับเราเพิงขัดวัวคายจับพวายใหม่วัวใหม่มันวิ่งเตลิดเปิดเปลงวิ่งแรงแล้วก็ย่อนไปแล้วก็ดึงกลับคืนมาถ้าไปตึงเวลามันวิ่งมันเจ็บทั้งสองส่วน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 มันเรื่องใหญ่เ็จะนั่งที่ไดโอ้ยมันใหญ่เ่าจะนั่งไม่ได้จะทำได้หรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่าจะอยู่ได้จบคอร์สหรือเปล่าเจ็ดวันหรือเปล่ามันคิดไปเพราะว่าทำก็ยากจริงมันคิดตั้งท่าตั้งทางอะไรเกินไปไม่ได้คล้อยเป็นคลอยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรตะพืตะพื้นไปทำได้ก็ไม่เป็นไรทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไ ร, รไไไไไ น, ไรนี่หัดธนุถ น, นอมหัด เคียตัวเองอย่าลงโทษการปฏิบัติธรรมอย่าไปลงโทษให้ทำไปบางทีจะไปเอาคนเื่นมาเป็นเจนที่วัดเรามันก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีตัวเราต่างหาเช่นท่องหนังสือคนหนังก็ท่องจำได้ดีไปหน้าหนึ่งแล้วเรายังไม่ได้ถึงว่าสองแถวสามแถวเราก็จะมารีตัวเองก็ยากเฝ่า เพียดไปเกาะๆสมัยก่อนเคยท่องหนังสือแข่งขัดกัดสวัยบวชเป็นเด็กมันก็มีการหลอกกันสมมติว่าเราท่องไปได้ตั้งห้าใบแล้วบางทีเพื่อนเรามาเราก็เปิดขึ้นม า, า, าสองใบสามใบทาท่าท่องอยู่ที่แท้เราไปได้แล้วห้าใบหกใบไปแล้วแต่บางทีเราไปดูคนที่เก่งกว่าเรา ห้องท่องกันกนะครัอวาดวินัยบรรดาทุนสัตว์แต่อย่างนี้เสยสีกรณีกิบปัจจัยเครื่องอาศัยโคงการเช่นเรื่องนี้เสียสี่อย่างก็เป็นระบาดดังว่ากันไปว่ากันไปอ้าแทบเดียวเขาไปได้แล้วสองใบสามใบเรายังท่งไม่ได้ก็เครียดขึ้นมาเล่งตัวเองรีดตัวเองยิ่งแต่เตป ต, เตปะตะเปตปะไปเลยเมื่อรีดตัวเองมาว่าไม่ได้เราต้องรอได้คอยได้ยุดได้เย็นได้คอยตั้งคอยทําไปเอาไปมามันก็เจิงเหมือนกัน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 มันสุขก็รู้วันมันกันวันทุกก็รู้มันมันกันอย่างนี้ปฏิบัติธรรมง่ายง่ายแค่าทาตูกมั้ยหลักเดียวเป็นตัวฉเฉลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะภาษามากเลยว่าดูคำว่าดูนี่ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเลยไม่เหมือนกับคำว่าเป็นคำว่าเป็นเนี่ยโอ้กระทบกระเทือนมากคำว่าดูเนี่ยไม่มีอะไรกระทบเลยเรียบ เพราว่าเป็นเนีขูกขัเป็นทางขาูกขับกระทบกระเทือนเมื่อกระทบกระเทือนก็ห่อนแหน่งคอนแคลนถ้าดูเนี่ยเรียบมันหลงก็เห็นมันะเรียบมันลูกก็เห็นมันลูกมันสศกก็เห็นมันโศกมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์นี่คือสติล้วนล้วนสติล้วนล้วนสติปัฏฐานเป็นอย่างนี้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 กานเดินเนี่คือลู่เนาะลู่เนา ะ, นนะโอ้มันคิดไปโน่นมันไม่ใช่นาะไม่ใช่เรามาทำมันนั่นไม่ใช่เรามาเดินคิดนาะเรามาเดินสร้างสติเนาะออกจากบ้านจากเดอนมาไม่ใช่หมาคิดถึงลูกถึงเมียรเรามาสร้างสตินเนาะเขาบอกเลยโอ้นี่นาะนี่สติน้อโอ้มันคิดไปแล้วกละป๋านเนาะลู่จากลู่นามทันทีออกมาบำเพ็ญทังกิดลู่เอาลู่เอาเอาเห็นความคิดเห็นความคิดเห็นความคิด